ไม่มีพูดจะพูดเรื่องคนไม่มีโลกนี่แหละฮะเราก็แปลว่าในภาษาบาลีก็อ่านไปเจออยู่ดอก ว, ว่าอโลคยาปรมาลาพาแปลว่าผู้ไม่มีโลกคือลาภอันประเสริฐหมายความว่ายังไงล่ะฮะ มีโลกไหม ล, ล่ะเราท้งนั้นอ่ะฮะไม่มีโอ้เป็นลาบอันประเสริฐแล้วตัวเนี้ยเออมีลาบอันประเสริฐหมดแล้วนั่งอยู่นี่ไม่มีโลกอันนี้เป็นการเด็กน้อยขายยาขี้ผึ้งล่องอยู่แถวรถ ด, ดอกอโลขยาเปรลมาลาพาอโลขยาปรลม า, า, าลาภ า, า, ายืน ยาหมองยาที่พึ่งเด็กน้อยขายยาลองบอกคนบนรถคำว่าไม่มีโรคล้วก็ตีตื้นๆคือไม่เก็บไข้ได้ป่วยไม่ปวดหัวเก็บท้องไม่เป็นโรคอันนั้นอันนี้ที่กิงพระพองค์บัญญัติอันนี้ขึ้นมาทำว่าโรคโรค โลกนี้เราไม่รู้จักโลกไม่ใช่โรคนะโลกนะฟังเราไหมไม่มีโลกไม่มีโลกอ่าอ่ไม่มีโลกอ่าโลกนี่คําว่าโลกโลกนี้ โลกนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งโอกาสโลกเคยได้ยินไหมโอกาสโลกฮะฝึกมานานๆไม่รู้จักโอกาสโลกหรอือฮะโลกแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งโอกาสโลกสองสัตว์โลกโอกาสโลก ก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟอากาศพระพุทธองค์บัญญัติว่าโอกาสโลกเนื้ออกไหมล่ะนี่นั่งอยู่นี่เธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุท่านบัญญัติว่าโอกาสโลกส่วนวิญญาณ วิญญาณท่านบัญญัติว่าสัตว์โลกสัตว์โลกสัตว์โลกก็อาศัยอยู่ในโอกาสโลกนึกออกหรือยังเนโลกใบน้อยๆนี่ดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์เขาเรียกว่าโอกาสโลกนะโอกาสโลก วิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกลงมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกโอกาสโลกก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์โลกเขาจึงเรียกก้อนนี้ว่าโลกอืมนี่แหละที่ว่าอาโลขยาปรมาลาภาผู้ไม่มีโลก คือลาภอันเปร ced ผู้ได้ดับขันห้าได้ดับโลกได้นั่นแหละโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเมื่อวิญญาณมาอาศัย <c oughs> อยู่ในโอกาสโลกวิญญาณก็เลยมาสร้างเพราะวิญญาณที่ลงมาปฏิสนธิเป็นวิญญาณที่หลงโลกหลงอารมณ์อยู่ นะหลงโลกอยู่หลงอารมอยู่จึงลงมาเกิดอีกเมื่อวิญญาณลงมาเกิดอยู่ในโลกนี้จึงมาสร้างประตูอายันัเอาไว้เพื่อรับอารมเพราะมันยังติดอยู่ในติดอยู่ในอารมหลงโลกหลงอารมอยู่ ห ล, ลงโลกก็คือหลงรูปเสียงกลิ่นรสปดทะพะธรรมลมอยู่เมื่อวิญญาณมาปฏิสนทธินี่มันจึงมาสร้างทวารทั้งหกเอาไว้เพื่อยากทวารทั้งหกไหมล่ะฮะอะไรบ้างเออมาสร้างทวารทั้งหกนี่ล่ะเอาไว้รับอารมณ์ข้างนอก นะนี่แหละโลกคำว่าโลกโลกโลกคือหมูสัตว์เนี่ยนอยอย่างไหมล่ะใช่เไหมหมูสัตว์เนี่ยไม่มีสมบัติเป็นของของตนมีไหละสมบัติฮอนี่แหละหมูสัตว์น้อยใหญ่นี่เรียกว่าโลกที่เราเข้าใจเตือนเตืนก็คือไม่มีโลก นี่โลกเข้าใจโลกแล้วนะโอกาสโลกสัตว์โลกเมื่อวิญญาณมาอาศัยวิญญาณเป็นมิจฉาทิฐิเป็นอวิชาอยู่จึงกลับมาเกิดอยู่ในโลกนี้วิญญาณตัวนี้จึงมาสร้างอายตนะเพื่อรับอารมณ์รับโลกรับอารมณ์เข้าไปนี่ ที่นี่ดินน้ำลมไฟอากาศสงเคาะเข้าก็เรียกว่ารูปใช่ไหมฮะวิญญาณก็เรียกว่านา้ำรูปกับน้ำเรียกว่าขันห้าเนี่ยบัญญัติว่าตั้งชื่อขึ้นใหม่อีกว่าขันห้า โลกกับขันห้าเป็นอันเดียวกันไหมฮะอันเดียวกันไหมโลกกับขันห้าไม่เข้าใจอีกฮะ ด, นดินน้ําลมไฟอากาศสงเคราะเรียกว่าลูกลูกธรรมตัววิญญาณเรียกว่านามธรรมลูกกับนามหรือเรียกว่ากายกับใจ เรียกว่าขันห้าใช่ไหมเรียกว่าเราได้ไหมเรียกว่าคนได้ไหมนี่แหละมาตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นทับก้อนสกลกายไงก้อนสกลกายกว่างศอกยาวานาคืบประกอบด้วยดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหกมาประชุมกันดินน้ําลมไฟอากาศ สองข้อเรียกว่าลูกเรียกว่าโลกเรียกว่าโอกาสโลกจำได้ไหมที่ไหโอกาสโลกะวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกมันลงมามาสร้างอายตนะเอาไว้เพื่อรับตาก็คือสัตว์โลกภายใน หูก็คือโลกภายในใช่ไหมอ่านี่แล้วมันมาสร้างสัตว์โลกภายในเมื่อมันไปกระทบกับโลกภายนอกนนก็เกิดโลกเข้าไปผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตจึงวุ่นวายขึ้นมา เข้าใจคําว่าโลกแล้วนะอะโลกเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศนี่เราเห็นอยู่อากาศคือช่องว่างในที่ต่างๆในลาคอในปากในตาในหูอากาศช่องว่างในก้อนสกลไกายมีช่องว่างอยู่ทั่วไปจึงบวกบวกอากาศเข้าไปอีก โอกาสโลกจำได้แล้วนะโอกาสโลกวิญญาณคือสัตว์โลกมันมาอาศัยอยู่ด้วยกันสร้างอรยตนะขึ้นมาเพื่อรับโลกรับอารมณ์เข้าไปอันนี้คือโลกภายในโลกภายนอกที่เรามองเห็นใช่ไหมเรียกว่าโลกภายนอกได้ไหมฮะอ่า มองเห็นว่ากระทบแล้วก็วิญญาณก็เกิดขึ้นนี่นะเรียกว่าโลกเกิดรูด้จยกาโลกเกิดไหมท่นนี่ฮะวิญญาณมาลูเข้าตาเห็นรูปวิญญาณก็มาลูให้ก็เรียกว่าโลกเกิดโลกเกิดกับดับพร้อมกันไม่นึกแต่ก็ไม่ตื้น รู้จากโลกเกิดไหมเท่น่ะฮะเมื่อตาคือสันโลกภายในหูจมูกลิ้นกายใจคือสันโลกภายในไปกระทบกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพระธรรมลมคือโลกภายนอกวิญญาณรู้ขึ้นมันรออยู่ข้างในแล้ววิญญาณก็เรียกว่าโลกเกิดได้ไหมเรียกว่าโลกเกิด นี่ยโลกเกิดเกิดแล้วก็ดับโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเพราะพรธองค์ว่าเข้าใจไหมล่ะข้างหลังฮะด้วยจากโลกไหมท่าเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยโลกคืองมูอสัตว์สัตว์ตเล็กสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่ามูอสัตว์ที่ว่าพระพุทธองค์มาสอนโลกเข้าใจไหมท่เนี่ย มาสอนโลกก็สอนเราท่านทั้งหลายเนี่ยสอนโลกให้ไปสอนที่อื่นถ้าผู้ใดมายึดเอาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาผู้นี้ก็มาแบกแบกโลก้อยจากแบกโลกไม่ล่ะฮะ แบกอะไรแบกโลกอะ่ะฮะก็มาแบกโลกมันก็หนักเลยแบกโลกใช่ไหม <laughs> แบกโลกแบกอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะ <laughs> ถ้าตายเห็นโูกก็เกิดความโูกขึ้นมาก็โลกเกิดถ้าใครมาหลงโลกอยู่ก็มาแบกหรือท่านพูดง่ายๆว่ า, าโลก ปล่อยให้โลกไปผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตอารมณ์ได้มาจากไหนฮะอารมณ์คืออะไรตาเห็นรูปก็โลกเกิดก็ดับแต่มันไม่ดับมันเป็นอารมณ์ไปผสมจิตเรียกว่ารูปอารมณ์ใช่ไหม หูได้ยินเสียงเกิดกับดับพร้อมกันแล้วแต่เสียงดับไปแต่อารมณ์ยังมาค้างอยู่ในใจเราเรียกว่าสัท ธ, ธาลมหอมเหม็นเข้ามากระทบจมูกมโลกเกิดกับดับพร้อมกันแต่มันดับไปแล้ว แต่อารมย์ยังมาค้างอยู่เขาเรียกว่าคันทะลมเด็กลิ่นแปลว่าคันทาคันโทคันทาคันทะลมนี่แหละอารมณ์มาผสมจิตจิตจึงเกิดยินดียินายยินดีภาษาบาลีเรียกว่า อะไรมอยุย้ยฮะฮะอิตถาลมแปลว่าอินยินดีอารมณ์ดียินดีพอใจเรียกว่าอิทถาลมถ้ายินลาย อ, ออนิธาลมไม่ยินดีไม่พอใจนี่แหละเวทนามันก็เกิดขึ้น นี่อารมณ์เข้ามาผสมจิตแล้วจิตเสวยอารมณ์นี่จิตเสวยอารมณ์เวทนาเกิดถ้ายินดีก็ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเรียกว่ากามะฉันทะกามะลาคะทำให้เกิดความโลภใช่ไหมล่ะความโลภเกิดก็ลาคานุสัยก็ตามนอน ในใจเราเนี่ยอารมณ์เนี่ยก็ไปตามนอนอยากได้ถ้าไม่ได้จะทำยังไงทีนี้ใช่ไหมละ่ะหาวิธีจะเอาขึ้นมานี่แหละเกิดราคานุสัสตามนอนในใจเราหรือเกิดเวทนาก็อันเดียวกันสุขเวทนาก็เรียกว่าอิทธาลมทำให้เกิดยินดีพอใจขึ้นมาอยากได้ขึ้นมา ทุกขเวทนาเกิดก็โกรธไม่ยินดีไม่พอใจก็ปฏิคานุสัยตามนอนใช่ไหมปฏิคะแปลว่าความกระทบกระทั่งไม่ยินดีไม่พอใจนึกออกไหมมันเป็นภาษาภาษาบาลีถ้าแปลให้ฟังก็พอนึกออกอยู่เนาะความไม่พอใจนั่นแหละเรียกว่าปฏิคานุสัยคือโกรธ อยากขับไล่ใช้ส่งนี้เรียกว่าปฏิกะแปลว่าการกระทบกระทั่งจิตไม่ยินดีไม่พอใจมันก็มีแค่นี้แหละโลกโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเธออย่าไปวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์เข้าใจไหมละ่ะอ่าเธออย่าไปแบกโลกแบกอารมณ์ มันเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้ที่เราไปวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์เราก็หลงหลงโลกรูอจยากไหมล่ะฮะ ห, หลงโลกกับหลงขันห้าอันเดียวกันไหมเออหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในโลกนี่เราจรึงหลงว่ามีเรามีตัวมีตนอยู่นี่เราจรึงไป แบกเอาคำว่าแบกโลกก็คือไปอุปทานเอาเข้าใจไหมละ่ะอุปทานแปลว่ายึดบ่าถือแปลว่าแบกแบกโลกแบกอารมณ์หน้าดำหน้าแดงแล้วเนาะได้ยินเสียงเขาดา่า <c oughs> ไว้แบกอารมณ์ใช่ไหมนี่แหละถ้า เรามาพิจารณาดูดีๆในก้อนสกลกายเนี่ยประกอบด้วยดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมันเป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของมีเจ้าของไหมธรรมชาติเนี่ยฮะฮะดินน้ํานี่มีเจ้าของไหมลมไฟมีเจ้าของไหมาอากาศนี่มีเจ้าของไหม วิญญาณนะใช่บอฮนะ้างหลังมีไหมหนะมีเจ้าของไมมวิญญาณเมืเ่อมาพิจารณาดูมันก็เป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติได้มาจากไหนเราก็ค้นหาได้มาจากโน้นดินน้ำลมไฟมันก็มีอยู่ ตั้งแต่พร้อมโลกนั่นแหละก็มีดินแล้วก็มีน้ำมาอุ้มเอาดินห่อหุ้มดินเอาไว้ที่เราเคยว่าเขาว่ามีดินกี่ส่วนละ่ะมีน้ำกี่ส่วนโลกใบใหญ่ๆเนี่ยฮะนอกจากนั้นก็มีลมมาอุ้มเอาไว้อีกถ้าไม่มีลมมันก็ลนนี่ <laughs> มีลมมาอุ้มเอาไว้ มันอุ้มเอาไว้ยังไงได้ฮะคิดว่าอุ้มเอาได้ไหมลมฮะอุ้มเอาโลกนี้ได้ไหมไม่ได้จ้ะเคยเห็นโกโลกกะลกติดกองน้ําน่ยนะเครื่องกองน้ําเคยเห็นไหมที่ของของพระที่เขาใช้เป็นรูเนี่ยนะเคยเห็นไหมทางเนี่ยฮะเอาจุ่มลงในน้ํา เป็นกระบอกอ่อแล้วกน้ำมันเข้าน้มันเขายกขึ้นแล้วเอาปิดปิดปิดรูวไว้น้ำไหลออกไหมฮะเคยเห็นไหมท้งนั้นอ่ะเคยเห็นกระโลกกองน้ำไหมกระบอกไม่ไผ่หรือเขาทำพาสติกนะทุกวันนี้ที่เขาขายใส่กับ เครื่องบอเลียคันพระบวชใหม่เราจุ่มลงไปน้ําแล้วก็เอามือปิดเอาไว้ลมมันจะอุ้มเอาน้ําเอาไว้น้ําไม่ไหลออกใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าลมมีอํานาจทั้งขนาดนั้นอุ้มเอาโลกเอาเอาเนี่ยเไว้เราก็เหมือนกันโลกไปน้อยๆเนี่ยถ้าไม่มีลมมีอากาศ ทรงตัวไม่อยู่มันมีมาอุ้มเอาไว้เราดูไม่เห็นเฉยๆนี่แหละโลกโลกกับขันห้าต้องเข้าใจนะไม่ได้พูดเอาลายอยากให้เข้าใจว่าโลกกับขันห้าคืออันเดียวกันเท่านั้นหรือไม่ใช่อันเดียวกันดินน้ำลมไฟ อากาศก็เรียกว่าลูกธรรมวิญญาณก็เรียกว่านามธรรมลูกธรรมน้ำธรรมเขาก็ตั้งชื่อสมมติบัญญัติว่าขันห้าดินน้ำลมไฟอากาศเขาก็สมมติบัญญัติว่าโอกาสโลกวิญญาณก็เรียกว่าสัตว์โลกก็เรียกว่ากายกับใจลูกกับน้ำใช่ไหม อ่านี่แหละเราเกิดมาก็มาหลงโลกหลงหลงตัวเองนี่แหละใช่ไหมหลงโลกคนหลงโลกเออหลงโลกก็หลงสมมุติโลกจริงๆไม่มีดอกเขาสมมุติก้อนสะกลกายนี่แหละ ว, ว่าโลกเฉยๆใช่ไหม แต่ว่าหลงสมมุติได้ไหมฮะเมื่อเขามาเกิดเป็นก้อนนี่ก้อนสะกุลกายกว้างสวกยาวานาคืบเขามาบัญญัติตั้งชื่อว่าบัญญัติตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาใช้สมมุติมาเรียกกันเฉยเฉยสมมุติมันมันจริงไหม อ๋อตั้งชื่อมาเรียกชั่วคู่ชั่วข่าวเฉยๆว่าขันห้าว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตัวตนเราเขาจริงๆริงมีไหมเออนี่เขาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกว่าเราคนอื่นก็ให้เรียกว่าเขาเรียกว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขา สมุิบัญญัติขึ้นมาใช้เรียกร่วมกันเฉยๆว่าฉันว่าเธอว่าพี่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่มีแต่สมมุติออกจากโลกใบนี้นะเขาจึงเรียกว่าโลกแห่งสมมุิเคยได้ยินไหมโลกแห่งสมมุติดเขาเรียกว่าโลกิยะโลกคือโลกิโลกิยะ สมมติทั้งหมดก็เรียกว่าโลกิยะโลกแห่งสมมติสมมติไปร้อยแปดพอย่างนับไม่ถ้วนมาตั้งออกจากก้อนสกลกายนี่ว่าตาว่าหูว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันว่าเนื้อว่านังว่าเอ็นว่ากระดูสมมติออกจากโลกใบน้อยน้อยนี่ใช่ไหมอ่าคนก็เลย ได้ยินมาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เลยมายึดมาถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาจริงจงมันจึงวุ่นวายกันอยู่อย่างนีน้เขาเรียกว่าหลงโลกหลงโลกนะดีอยู่หลงโลกเฉยเฉยไม่ลกโลกอีก <laughs> อนี่แหละ อืมถ้าเรามาดับโลกได้ดับด้วยอะไรล่ะฮะดับได้ยังไงโลกนี่จะดับได้ไม่คิดว่าฮะไม่อยากดับเนาะ <c oughs> เป็นห่วงฮะ <c oughs> ฮะอ่า <c oughs> ดับโลกดับโลกก็บัรขั้นห้านี่แหละ ต้องมาอธิบายมาแยกโลกออกดูแยกโลกออกดูดินน้ำลมไฟให้ลูกเห็นตามความเป็นจริงเขาว่ามีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนี่ริงไหมฮะมีมีิงไหม ม, มีคนอยู่ในนี่อยู่แล้วมันก็ดับโลกได้โดยดับดับสมมติสมมติก็คือโลก โลกเข้าสมมุติขึ้นมาคนมีไหมแหมเจ๋งมากถ้าเข้าด่าอยู่นี่จะถูกคนไหมฮะไม่ถูกลองดูไหมอลองดูสักคนไหมเขาจะถูกถูกคนไหมเขา เขามาบัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขาเราก็เลยมายึดมาถือว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าแบกโลกใช่ไหมนี่แหละแบกโลกมาแบกโลกแบกอารมณ์แบกสมมุติพระพุทธองค์จึงบัญญัติว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตขันห้าบังพระนิพพานนึกออกไหม ทำคืออะไรฮะรู้อยากทำไหมโลกมาบังทำได้ยังไงฮะไม่รู้อยากทำทำคืออะไรอ่าทางนั้นน่ะต้องการฟังเทศต้องขิ้เกีจนาไปด้วยนะยิ่งอยากเข้าใจฟังแล้วก็ถามอานี่แหละสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ถามถามอย่างนี้นะ ถามไปถ้าไม่ถามไม่เข้าใจฟังไปแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็ยังดีอยู่ถือว่าโลกไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมมีแต่ก้อนธาตุก้อนทํามเฉยเฉยไม่มีโลกแล้วไม่มีโล ก, โลกคือราบอันประเสริฐต่อไปอนี่แหละเดี๋ยวนี้เราก็มาหลงอยู่ใช่ไหยเขาสมมุว่า โลกสมมุติว่าอารมณ์นี่ท่านจรงว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังกิจสมมุติบังววมุติขันห้าบังพระนิพพานเอาคิดไปโลกกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันไหมฮะอันเดียวอ่า อันเดียวกันนี่ก็โรคภายในยังไงตาใช่ไหมตาใช่โรคไหมตาโรคภายในก็ยังบอกแล้วตาคือสัตวโรคภายในหูก็โรคภายในจมูกลิ้นโรคนี่ยมันไปกระทบกับโรคภายนอกรูปเสียงกินรถคือโรคภายนอกมากระทบกับโรคภายในวิญญาณลู้ขึ้นก็เรียกว่าโรคเกิดเรียกว่าโรค บังธรรมโลกกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันไหมอารมณ์ก็เกิดจากรูปอารมณ์นี่แหละอารมณ์มาผสมจิตมาบังจิตสมมุติอะสมมุติเขาก็าสมมุติจากก้อนนี้ใช่ไหมวิมุติล่ะวิมุติคืออะไร อะไรอย่างนดูเอ้าฮะวิมุตคืออะไรฮะไม่รู้จักวิมุตก็หลุดพ้นจากสมมุติก็เรียกว่าวิมุตเท่านั้นดับวิมุตดับสมมุติได้ก็เห็นวิมุตเข้าใจไหมอืมวิมุตเนี่เป็นเป็นยังไงวิมุตอ่ะหลุดพ้นจากสมมติก็เรียกว่าวิมุต ก็คือใจอันเดียวนี่นะใจหลุดพ้นจากจากสมมุติแล้วดับสมมุติได้ก็เห็นวิมุตคือปรมา ธ, ธรรมธรรมอันละเอียดยิ่งย่งขึ้นไปเ็าเรียกว่าวิมุตเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลพ้นจากสมมุติโลก ก็คือก้อนนี้สกลกายนี่อารมณ์ก็เกิดจากนี่อารมณ์บังกิตสมมุติก็สมมุติออกจากนี่ใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันอ่าขันห้าแหละที่นี่อันเดียวกันไหมอันเดียวเออนี่แหละท่นานว่าโลกบังธรรมธรรมก็คือจิตรู้อยากธรรมไหมธรรมชาติคือจิตดวงหนึ่งอ จิตนั่นแหละคือธรรมใจนั่นแหละคือธรรมอารมณ์บังจิตจิตกับใจก็อันเดียวกันจิตกับธรรมอันเดียวกันวิมุตติกับจิตจิตที่หลุดพ้นเราก็เรียกว่าวิมุตตเข้าใจไหมขันห้าบางังพระนิพพานขันห้ามันเกิดแล้วกว็ดับเกิดแล้วกว็ดับมันบังอยู่ถ้าเราดับวัฏจัรสงสา ร, รขันวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิด อารมณ์เกิดโลกเกิดอันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวโอกำลังจะเก่งแล้วเวียงกำลังจะรู้อโลขยาแล้วโลกเกิดกับดับพร้อมขั้นห้าเกิดกับดับพร้อมกันเธออย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารมันหมุนเกิดแล้วก็ดับขั้นห้าเกิดแล้วก็ดับโลกเกิดแล้วก็ดับ เป็นวัฏฏะสงสารหมุนอยู่อย่างเนี้ยตายเห็นลูกก็หมุนไปโลกเกิดครั้งหนึ่งใช่ไหมอารมณ์เกิดครั้งหนึ่งคันห้าเกิดครั้งหนึ่งโอได้ยินเสียงคันห้าเกิดโลกเกิดอารมณ์เกิดสามอันเรียกรวมกันได้<ม>เข้าใจนะที่นี่นะไม่ต้องสองสัยแล้วเกิดดับเกิดดับเป็นวัฏฏะจักวัฏฏจิต วัฏฏะสงสารหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดวันตือนขึ้นมาไม่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรบ้างอยู่เนี่ยฮะเห็นกี่อย่างแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้ฮะได้ยินอะไรบ้างไม่านเนีนี่ยนับได้ไหมเนี่ยมันมาบังกิตมาผสมกิตเราเนี่ยโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมกิจ เราจึงไม่เห็นจิตแท้ใจเดิมของเราไม่เห็นจิตอันวิมุตต์อันบริสุทธิ์มีแต่เห็นแต่โลกเห็นแต่อารมณ์ตลอดวันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เออถ้าเรามารู้เท่าเข้าใจเรามาดับโลกได้โลกคือหมูสัตว์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ดินน้ำลมไฟอากาศ ก็สงข์เรียกว่ารูปธรรมวิญญาณก็เรียกว่านามธรรมธรรมชาติเป็นอนัตตาธาตุได้ไหมอนัตตาธรรมได้ไหมธรรมที่ไม่มีเจ้าของธาตุที่ไม่มีเจ้าของมันมาอาศัยกันอยู่แล้วก็ทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันเมื่อตาหูอย่างโกลินรับอารมณ์เข้ามา ตัววิญญาณก็ไม่รู้ให้แล้วก็ดับแต่มันไม่ดับเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันขันห่าเนึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่เวลาเห็นลูกจึงสาคัญตนว่าใครเห็นเราเห็น <c oughs> เวลาได้ยินเสียงจึงสาคัญตนว่าเราได้ยินจึงเกิดยินดีขึ้นมา ยินได้ขึ้นมาเกิดเวทน า, าเมื่อมาดับอันนี้ได้ดับโลกดับอารมณ์ได้สุขาเวทนาเกิดเวทนาเกิดขึ้นมันเที่ยงไหมล่ะเวทน า, เ, ทาเกิดดินดีขึ้นก็แป๊บเดียวก็ดับไปใช่ไหมทำไมถ้ายินดีขึ้นมาทำไมไม่ให้มันอยู่นา น, น, าน ฮะมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงจึงมีคนมาทูลถามพระพุทธองค์ว่าสุขเวทานาทุกขเวทานาตนทำเองใช่ไหม ะใช่ใช่ไหมฟังให้เข้าใจุ ข, ขเวทนาทนาุกเวทนานี่แหละรวมทั้งหมดทุกอย่างอุเบกขาเวทนาอะไรเวทนานี่ตนทำเองใช่ไหมไม่ใช่ฮะเอาเข้าใจไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบ ก, กันเข้ามาวิญญาณรู้ขึ้ น, นจิตก็สเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาเกิด มันเกิดขึ้นคนยังมาถามเวธานาะตนทำเองใช่ไหมฮะฮะอืะมกำลังจะเข้าใจเลยจะดับโลกได้ฮคนอื่นทำให้ใช่ไหมฮะฮะไม่มีใครทำเต็อย่างงั้น ทั้งตนเองและผู้อื่นทําขึ้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ ใ, ชใครทําทีนี่จึงเกิดเวทานาฮะเออรูจอยายา้จักไหมอวิชชาปัญญาสังขากิดหลงสังขารเฉยๆเข้าใจไหมสังขารคืออะไร ร่างกายจิตใจรูปนามคันห้าตาก็คือรูปภายในก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นดินน้าลมไฟปรุงแต่งขึ้นเวลาอันนั้นจิตหลงสังขารหลงว่าก้อนเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นหลงสังขารห ล, ลงว่าก้อนสะกลกายรือหลงโลก หลงโลกใบนี่แหละว่ามีตัวมีตนใช่ไหมเรียกว่าอาวิชากิตรู้ไม่จริงจึงไปเกิดผัดสสะเกิดเวทนาขึ้นไม่ใช่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำจิตหลงเฉยๆจึงไปเกิดเวทนาขึ้นถ้าจิตรู้เท่าสังขาร รู้ว่าสังขารคือก้อนสกคลกายนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลูกกับนามกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมใช่เวทนาจะเกิดไหมไม่เกิดโอ้โลกจะเกิดไหมไม่เกิดขันห้าจะเกิดไหมไม่เกิดค่ะนี่แหละคนไม่มีโลกอะ่ะคือดับแล้ว ดับโลกนี้ได้โลกนี้มีไหมไม่มีโลกหน้ามีไหมไม่มีโลกไหนไหนก็ไม่มีก็ดับโลกได้ง่ายั้ยล่ะที่นี่จะไปเกิดอีกไหมที่นีไม่เกิดแล้ดับพบปัจจุบันได้ขันห้าเกิดกับดับความกันพบหนึ่งโลกเกิดกับดับความกันโลกเกิดพบหนึ่งถ้าเรารู้ว่ารู้เท่าทัน ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้มันเองอาศัยกันเกิดอัญญะมันยะปัจจัยปัจจัยเองอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่มีสาระแกนสารหายสงสัยใช่ไหมโลกนี้มีไหมโลกมีไหม ค, คือว่าดวงตาครับฝั่งดวงตาก็จ แห้ดวงตาให้นำไปมีวิธีไหนที่จะออกจากความงจะออกจากสมมได้เอ้เราก็รู้เท่าเข้าใจรู้เท่าเข้าใจแต่คือถ้าทำผิดการสฏิบัติบางยังทำไม่ได้เอาถ้าคนมีปัญญาลองพื้นอยู่ยันทําได้ถ้ายังไม่มีก็ต้องไปแยกโลกออกดูเข้าใจไหมแยกธาตุแยกขันออกดู ไม่ใช่ทาฟังแล้วอันนี้เป็นปริยัติน ะ, ะยังยังไม่ได้ปฏิบัตินำเอาปริยัติที่ลวงตาพยายามแจกพูดรอ่อหลอกให้เข้าใจจริงๆแล้วให้จำได้ว่าอันนั้นเป็นอันนี้จริงๆแล้วเรานาไปปฏิบัตินะเมื่อตาเห็นลูกตาคือโลกภายในหูคือโลกภายใน ใช่ไหมล่ะมันกระทบกับโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสใจมารู้ให้ก็เกิดโลกเกิดเนี่ยโลกเกิดเกิดกับดับพร้อมกันปัญญามันเห็นเกิดดับเท่านี้สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ย ง, ยงนี่แหละจะเอาปัญญานี่แหละไปฆ่ามันเข้าใจไหม เอาอันนี้ก็ภาวนาแล้วนั่นเนี่ยพูดอยู่เนี่ยเป็นหลักการนั่นเนี่เป็นภาวนาแล้วแล้วเขาเรียกว่าภาวนาก็ยังบอกอย่างมีสองอย่างหนึ่งสมสถาภาวนาทำให้จิตหยุดพักไม่ให้คิดสองอันนี้ให้จิตหยุดหยุดพักนี่ภาวนานี่วิบสมสถาภาวนาคือทําให้จิตสงบ ให้จิตหยุดพักไม่ให้มันคิดอันที่สองก็วิปัสนาภาวนาทําจิตให้เกิดปัญญานี่ยยังไงอันตอนนี้เราส ม, มว่าเราเข้าสมาธิพั ก, กจิตแล้วเราก็เดินปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาปัญญาก็มารู้แจ้งซึ่งโลกเนี่ละเข้าใจไหมรู้อยากโลกไหมละทีเนี่ฮะโลกกับวิทู น, น เคยได้ยินไหมล่ะโลกกับวิถูฮนะรู้แจ้งซึ่งอะไรโลกอยู่ที่ไหนโลกอ่ะฮะอยู่ไหนโลกอ่ะฮะนี่นั่งอยู่นี่เราไม่ใช่โลกเลยเนี่ยฮะรูแจ้งซึ่งโลกกัโลกนี่โลกใบน้อยๆโลกกวิถูเข้าใจไหมจะไป็รูปที่ไหนแต่ก่อนเราหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลใช่ไหม พอมาแยกธาตุออกดูไม่มีมันเป็นธรรมชาติมาก่อตัวจะพูดละเอียดก็คือธาตุดินธาตุน้ําลมไฟมาก่อตัวขึ้นมันกาะตัวได้ยังไงเข้าใจไหมล่ะที่นี่ก่อตัวได้ยังไงฮะนั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในท้องหมอยุ้ยมันก่อตัวขึ้นเห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ มันก่อตัวขึ้นแล้วโลกไปน้นอยๆเอ่อกําลังจะจะเริ่เติบโตขึ้นมาแล้วกว่อตัวขึ้นอย่างนี้เข้าใจไหมโลกอะ่ะโลกไปน้อยๆกาลังเกิดอยู่นั่นแล้วธาต<า>ุธาตุา ด, ดินได้มาจากพ่อธาตุน้ําได้มาจากแม่เราต้องมาเข้าใจอย่างนี้นี่แหละปัญญาเริ่มไปอย่างนี้เข้าใจไหม พ่อแม่แต่งงานกันก็นอนร่วมสังวาสกันธาตุดินก็เอาธาตุดินไปผสมกับธาตุน้ําในครันของแม่ดินน้ําก็มาอาศัยความอบอุ่นในท้องแม่อาศัยลมหายใจในท้องแม่เข้าไปหล่อเลี้ยงกันมันจึงได้เป็นธาตุสี่ขึ้นมาเข้าใจน ะ, จะนี่แหละ มันไม่มันก่อตัวขึ้นมาอย่างนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาคลอดออกมาก็เรียกว่าตั้งสมมุติให้ทันทีชายห ญ, หญิงตามลักษณะก็มีธาตุสี่เหมือนกันนั่นแหละแต่ลักษณะอาการแตกจากกันเฉยๆต่างกันเฉยๆนี่แหละโลกใบน้อยๆเข้าใจ ไ, มใไหมเท่เนี่ย เราต้องเริ่มไปจากนี้เลยนะี่ยมาตั้งสมมุติว่าคนใช่ไหมท่นเะนี่ยถ้าอยู่ในท้องก็เรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในท้องยังไม่เรียกว่าคนเต่เอ่พอคลอดออกมาถึงจะเรียกตั้งชื่อว่าทารกสมมุติให้รับเอาสมมุติทันทีนะนนนเด็กเล็ ก, เ, ลกเด็กโตคนถือพา คนถือพาคนทันเขาเรียกว่าคันทัพพา อ, อ, อ่าวิญญาณคือคนทันลงมาอาศัยอยู่ในท้องเรียกว่าคนถือพาถือท้องตั้งท้องอ่าอยู่ในคั น, น, ค, นคันทัพพาออกมาก็ทารกจเจริญเติบโตขึ้นมาเด็กเล็กเด็กโตหนุ่มสาววัยเบญจเพศวัยอะไรต่อไป กลางคนก็ใบชะลาอ่านะก็เรียกว่าสัตว์ว่าคนได้แล้วใช่ไหมนี่แหละมาตั้งสมมติให้แล้วก็ถือเอาสมมติมาตั้งแต่าารู้จักภาษาสอนให้ลูกพูดอันนี้คืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนั้ น, น, น, นสำเนียงเสียงพูดว่าคน วารถว่าต้นไม้ว่าอะไรก็สอนสมมุติให้ไปใช่ไหมนี่แหละมันเราก็เลยมาว่ามันเป็นของจริงคนก็ค น, คนจริงๆเนี่นั่งอยู่เนี่ยบอกลูกว่านี่คน น, นั่นนี่คนนี้เรียกว่าป้าเรียกว่ายายนะเนี่ยพื่อนอะสมมุติเข้าไปอีกใช่ไห ม, ส, มสอนนั่นนี่จึงว่าโลกเนี่ยโลกเนี่ย โลกแห่งสมมุติยังไงใช่ไหมมีได้สมมติอยู่ในก้อนโลกเนี่ยรู้จักโลกแห่งสมมุติไหมไม่ได้สมมติสมมุติมันก็บังนี่แหละแล้วก็ว่าจิงจิงจิงอยู่ท่านว่าจิงสมมุตินะใช่ไหมจริงโดยสมมุติเหรอถ้าถึงขั้นปรมตถ ธ, ธรรมไม่มีมีแต่ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเท่านั้น ไม่มีสัตบุคคลตัวตนอยู่ในนี้ไม่มีป้าไม่มีพี่ไม่มีน้องอยู่ในนี่ใช่ไหมมีเรียกกันชายชั่วคู่ชั่วขราวเช่านั้นพี่ป้าหนะ้าอาพ่อแม่พี่น้องก็สมมติกันตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าจริงสมมติจริงบัญญัติเมื่อถึงขั้นประมตทแล้วมีไหมละ่ะ พี่มีไหมป้ามีไหมพ่อมีไหมมีโดยสมมติจริงโดยสมมุติต้องเข้าใจนะเมื่อถึงวิมุตต์แล้วถอดสมมุติออกแล้วก็เป็นก้อนอนัตตาธาตุคำว่าแม่ก็เป็นสมมุติใช่ไหมถอดคำว่าแม่ออกก็เหลือแต่อนัตตาธาตุใช่ไหม ก้อนที่ไม่มีเจ้าของธาตุที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้ายาอย่างนี้หลงเจ้าของมาอะไรเนี่ยฮะอ้อยมีไหมล่ะฮะไม่มีเปลี่ยนชัดสิบชื่อก็ได้อ้อยเนี่ย <c oughs> สมมุติไป <c oughs> สมมุติใส่ก้อนนี้แหะใช่ไหม <c oughs> ชื่อนี้ไม่เพะ <c oughs> เออเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้สมมุติใหม่ก็ได้ <c oughs> เออเนี่หล่ะ เพียงเป็นสมมุติบัญญัติเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้พอนึกออกไหมล่ะทีน่นี่นี่แหละดินได้มาจากไหนน้ําได้มาจากไหนลมไฟได้มาจากไหนมันเป็นธรรมชาติมาก่อตัวขึ้นเฉยเฉยจะว่าถือว่าเป็นลูกเราก็ไม่ใช่เป็นของของเราก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ ในถ้ำกลางเสื่อมสลายเมล า, ายสูญในที่สุดใช่ไหมใจเหลืออยู่ไหมล่ะที่นี่ไม่เหลือไม่มีลงไปสู่ธาตุเดิมเมื่อคืนก็ยังว่าลงไปซื้อธาตุมาใส่เอาไว้ก็คือเขา <laughs> <laughs> เสื่อมสลายเมล า, ายสูญลงไปสู่ดินน้ํามลมไฟแต่ว่าลูกเราก็ไม่ได้พ่อเราก็ไม่ได้แม่เราก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติเองอาศัยกันเกิดเฉย เขาใหญ่ได้ที่ไีนนะหลงโลกไหมอะไรที่ไหนฮะดับโลกได้หรื อ, อยังโลกคือหมูสัตว์เนี่ยหมูสัตว์น้อยใหญ่นั่งอยู่เขาสมว่าหมูสัตว์ตาก็คือสัตว์โลกภายในหูคือสัตว์โลกภายในก้อนสกลกายเนี่ยคือโลกภายในก้อนสกลกายของคนอื่นก็คือโลกภายนอกเขายายไหม อันนี้โลกเข้าไปบังธรรมโลกเข้าไปบังธรรมก็บงกังจิตเจ้าของเอาไว้อารมณ์ไปผสมจิตโลกไปผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุติขันห้าบังพญิพานก็อันเดียวกันที่จิตเราไม่บริสุทธิ์อยู่เดียวนี้ก็ไปถือเอาสมมุติใช่ไหม มันจึงวุ่นวายจึงไปแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์อารมณ์ก็คือโรคธรรมก็คือจิตวิมุตต์ก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมอไม่มีอะไรโลคบางธรรมอารมณ์บางจิตขันห้าบางพระนิพพานขันห้ามันเกิดหมุนอยู่เนีโลกหมุนนี่ท่านเรียกว่าโลกหมุน มันเที่ยงไหมที่ไหนไม่เที่ยงอ๋อนี่แหละมันเกิดแล้วก็ดับหมุนไปฉากนี้เกิดแล้วก็ดับหมุนไปเหมือนหนังในโทรทัศน์ฉากนี้เกิดแล้วก็ผ่านไปหมุนไปหมุนไปหมุนไ ป, นไปเหมือนกับฟิล์มในจอหนังเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาบาลีฮะ อขาเรียกว่าอะไรนึ้ไม่ออกแล้วอา น, นิจจังเอมันเกิดมันดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงนั่นแหะไม่เที่ยงกับอา น, นิจจังอันเดียวกันไหมล่ะฮะอ่าแล้วก็เอาอันนี้แหละใจรักญาณอานิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> มาขับโลกออกมาขับอารมณ์ออก เราก็เห็นไตลักยานโลกหมุนเคยได้ยินไหมว่าโลกหมุนแต่ก่อนลองตาคิดว่าโลกใบใหญ่เนี่ยมันหมุนแต่จริงมันเป็นโรคอะไก็โนี่แหละห ม, ม, มุนอยู่ตายเห็นรูปมันก็หมุนไปอารมณ์ใหม่อีกใช่ไหมรู้อย่างมันหมุนไหมเท่นีห่โอได้ยินเสียงโลกเกิดเนี่ยโลกเกิดใจใจเกิดแล้วก็ดับหมุนไป เหมือนฉากโทรทัศน์อาภาพนี้เกิดขึ้นหมุนไปภาพใหม่หมุนไปความคิดเกิดขึ้นก็ขันห้าเกิดหรือโลกเกิดก็ดับเกิดกับดับรวามกันหมุนอยู่อย่างนี้อืจึงเรียกว่าโลกเที่ยงไหมโลกอ่ะฮะโอ้กาลังเข้าใจแล้วทีนี้ฮะขันห้าเที่ยงไหมทีนี้ นี่หลากาลังเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เรียกว่าอ น, นิจจังมันเกิดมันดับอย่อยางนี้จึงเรียกว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เขาเรียกว่าทุขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยงไงตั้งแต่ก่อนตีนท่อฟ้าหอยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใหญ่เที่ยงขนาดนี้มันเที่ยงไหมล่ะฮะถ้ามันเที่ยงก็ คือเก่าอึดอนี่เราโลกมันเที่ยงไหมล่ะที่เนี่ยฮะก็เข้าใจต้องอย่างนี้เข้าใจนะที่เนี่ยมันไม่มีตัวตนสัวนบุคคลมันเกิดแล้วก็ดับสุกเกิดขึ้นก็ดับสุกเกิดขึ้นก็ดับเป็นอนิจจังทุกครั้งนะตาเข้าใจนะที่นี่นะเรียกว่าดับโลกได้ดับด้วยอะไรดับได้ด้วยอะไรด้วยอนิจจัง ทุกขังอนัตตาไม่มีเจ้าของโลกนี้ก็เกิดแล้วก็ดับพบหนึ่งขันห้าเกิดพบหนึ่งได้ยินเสียงก็เกิดดับพบสองวันหนึ่งวันหนึ่งจะมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรบ้างความคิดเกิดขึ้นนี่แหละโลกเกิดดับขันห้าเกิดดับ พบแล้วพบเล่าอยู่นี่ยเข้าใจไหมแล้วก็ทิ้งพบไปกับอะไรกฎธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าดับโลกได้ใช่ไหมล่ะฮะเกิดแล้วก็ดับนี่พระพุทธองค์สอนชนนี้ทิ้งพบไปกับขันห้าขันห้ามันขันห้าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปนี่จิตทํางานเหมือนเมื่อคืนคนนั้นถามอารมณ์เข้าไปกระทบจิตจิตก็ตื่นออกอารมณ์มารับอารมณ์ใหม่เกิดจากผวังก็มาเป็นภพหนึ่งภวะหรือภพหนึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวก็เข้าผวังอีกภพนี้ดับภพบนี้ดับภพบนี้ดั บ, บ, ดบโลกเกิดกับดับพร้อม ขันหาเกิดกับดับพร้อมอย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารมันหมุนอยู่อย่างนี้โลกอะ่ะอย่าไปยินดียินไยแล้วก็ดับได้เข้าใจไหมล่ะอโลขยาปลามาลาภาโลกนี้มีไห ม, ไมการไม่มีโลกคือลาบอันประเสิียรถ้าตัดว่าไม่มีโลกปวดหัวเจ็บท้องมัน มีเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมอ่ามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาห้ามไม่ได้เนี่ยผู้ดับโลกได้ดับโลกดับสมุติดับอารมณ์ดับสมุติดับขั้นห้าได้ก็เรียกว่าดับโลกได้โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกไหนๆก็ไม่มีเราก็ดับโลกได้ ใช่ไหมล่ะก็เข้าพระนิพพานพระนิพนพานนี่คือราบอันประเสริฐใช่ไหมเออดับโลกได้ดับโลกได้ ด, ไ ด, ดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานท่านจึงบัญญัติให้คนฟังว่าอะโลขยาปรมาราพาผู้ไม่มีโลกคือราบอันประเสริฐ ฟังออกไหมทดานเนี่ยหมอเอะหมอขยามไม่ไงล่ะพวกหมอเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีโลกอะ่ะตัวขันนี้เกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิเลยหรือเปล่าครับเอาก็พ่อกระแม่ร่วมสังวาสกันธาตุดินยี่สิบอย่างไปจากธาตุพ่อสมภพกันกอง เข้าไปเป็นน้ําอซุจิเอาใหญ่นะส่วนน้ำสิบสองอย่างในตัวแม่สมพกันกวางกันเป็นน้ําประจําเดือนถ้าแม่ไม่มีน้ําประจําเดือนนอนกับพ่อเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรน้ําประจําเดือนรังไข่มันสุกเหมือนกลองไม้มันบานก็เห็นไหมบานแล้วก็สุกงอมแล้วก็เมื่อเชื้อ ของตัวผู้เข้าไปเหมือนกับเขาผสมเกสรดอกไม้มาผสมใส่กันกลมกืนกันไปไม่มากนะเพียงแต่น้ําติดข า, มาแมลงไปเท่านั้นติดขนมแมลงไปเท่านั้นนะไปผสมเกสรตัวนี้กำลังบานอยู่กำลังสุกอยู่ก็เลยเกิดนี่แหละเกิดขึ้นมาได้ธาตุดินธาตุน้ํา เขาจึงเรียกแม่ว่าแม่น้ำแม่น้ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมแม่คือน้ำเยน็นพ่อเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้แร้วเหมือนไก่ตัวผู้เคยเห็นไก่ตัวผู้เลี้ยงลูกไห <h> ah? ม, ไมโอ้เราไม่เห็นไก่ตัวผู้จี๋มันออกลูกเป็นไหมไก่ตัวผู้เลี้ยงลูกเป็นไหมไม่เลี้ยงลูกเหรอแต่ไก่ตัวเมียนี่ แม่ยังเป็นของสูงกว่าพ่อเวลาพูดเขาจึงว่าบิดามารดามารดาบิดาก่อนเพราะว่ามารดาเนี่เป็นผู้ตั้งท้องเป็นผู้อุ้มท้องเป็นผู้เลี้ยงดูคุณของมารดาจึงหลายกว่าบิดาเขาจึงว่าปฏิบัติเป็นการบูชาคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์เขา้าใจไหมอะไรอ่างนี้ อามานดา ม, มีน้ำหนักกว่าบีดานะเออวันนี้ก็มาพูดอโลขยาปลมาลาพาผู้ไม่มีโลกคือราบอันประเสริฐให้เราท่านทั้งหลายฟังเป็นการสนทนาพูดอย่างนี้มันจึงเข้าใจหลวงตาท้าเทศผ่านๆไปไม่ถามไม่คุยกันอย่างนี้ฟังไม่ออกเนาะฟังไม่ออก อก็คุยกันไปอย่างนี้แหละมันถึงจะว่าเข้าใจคําว่าโลกคําว่าอารมณ์คําว่าสมมุติคําว่าอันนั้นอันนี้ก็มาพูดให้ฟังเข้าใจดับโลกได้ก็เป็นลาบอันประเศษดับขันห้าได้ก็เป็นลาบอันเป็นเศษเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเพราะวันบังพระนิพพานโลกบงังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุติขันห้าบังพระนิพพาน สี่อย่างนี่เป็นอันเดียวกันสี่อย่างนั้นก็หมายถึงจิตอันบริสุทธ์นั่นเองเข้าใจไหมล่ะโอดีแล้วดีแล้ว ด, ดีแล้วล น, นี่แหละอโลขยาเปรมาลาภาอะโลขยาปรมาลาภ า, า, า, า, ภาเด็กน้อยขายายายขี้พึ่งข้างรถตั้งแต่ลุงตาเป็นหนุ่มอยู่เขาขายยาขี้พึ่งข้างรถอโดยสารยื่นมือขึ้นไป <laughs> อ๋อขยะเวลามาแล้วพวไม่มีราบมันเพ่ยมีโลกมัลาบเลขายคนก็ซื้อเข้าอยู่ขายยาที Nein, ่พึ ma ่งสมัยแล้วได้ขายใช่ไหมครได้ขายสมัยก่อนมีรถโดยสารไปจอดอยู่ชิวจะเบี่ยงออกบ้านนั้นบ้านนี้ตามตัวอำเภอจังหวัดเด็กน้อยมันก็ซื้อยาไปขายคนเขาก็ไปขายของอยู่นะคิวรถยาอมยาหมอง ที่ไหนได้เราพอเรามาบวนแล้วโอ้ยอะโรคยาปลมาลาพามันคนละเรื่องกับเด็กน้อยขายยาหมองยาอมแล้วเออเนี่ยแหละเราดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติได้ก็เข้าสู่พั้นยุติ